u d d h a m r a g a c c h u d d h a m r ā a g a c c h d d h a m m a g a c a m m a m a h a m a m g a c c h Samham sharam n a gat c h a sangham sharam n a gat c h a sangham sharam n a gat c h a แต่มีผลอันไม่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวเป็นปัจจัยแห่งปุญญาพิสังขารและเนรชาพิสังขารซึ่งมีผลน่าปรารถนาจะใช้ได้อย่างไรถามมาว่าเอางี้นะถ้าตั้งประเด็นอย่างงี้อวิชานี่มีโทษไหมอวิชามีโทษไหมอวิชาในโลภะในโทสะโมหะคือความหลงความมืดบอดพูดง่ายๆคือความโง่เนี่ยนะมีโทษมากแต่ทำไมให้ผลเป็นบุญล่ะ ให้ผลเป็นมหากุศลให้ผลเป็นรูปกุศลให้ผลเป็นอรูปกุศล是是ใช่ไหมใช่ไหมบอกว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้ฝ่ายดีเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุให้ผลฝ่ายดีเกิดขึ้นเนี่ยทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าอาวิชชา เ, เป็นธรรมที่มีโทษแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าต้องการเลยใช่ไหมโลภะโทสะโมหะเนี่ยเกี่ยวมีอวิชชากลางกันอยู่เนี่ยแต่ทําไมให้ผลเน่ย ให้ผลเกิดขึ้นเป็นมหากุศลและจิตแปดโรคกุศลห้าแล้วก็อารูปกุศลสี่เอมันมันอย่างนี้เป็นยังไงเขว่า ง, าางั้นถ้าเราจะบอกว่าอ้อยเนี่ยนะอ้อยเนี่ยจะเกิดจากพืชคือะเะดาเนี่ยได้ไหมถ้ามีคนถามเราอย่างนี้จะตอาบว่าไงใช่ไหมจะตอบเขาว่าไงเนี่ยปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานนะโดยตำแหน่ง ที่แล้วก็โดยเวลานี่นะสภาวะคือกิตเป็นต้นแก่สภาวธรรมทั้งหลายก็ดีผิดกันก็ดีเนี่ยย่อมเป็นเหตุสําเร็จได้ในโลกแต่ว่าจิตดวงก่อนเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานะเห่งจิตดวงหลังได้ได้ไหมเช่นจิตดวงก่อนก่อนที่เกิดเก่าก่อนนั่นน่ยจิตก่อนก่อนเป็นกุศลแต่จิตหลังๆังเออจิตก่อนก่อนเป็นบาปจิตหลังหลังมาเป็นกุศลเนี่ยยังเกิดได้ใช่ไหม การศึกษาศิลปะต่างๆเป็นต้นเนี่ยย่อมเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานะแห่งการงานที่ประกอบศิลปะเช่นเรียนสาขาหนึ่งแต่มาทํางานอยู่สาขาหนึ่งเอ๊ะทำไมจึงมีอ่ะใช่ไหมมองเห็นไหมาบางคนเนี่ยเรียนจบอีกอย่างเลยนะแต่พอจบมาแล้วไปเป็นแม่บ้านกันนั้นเนละในะวิชาเรียนไม่เลบอกไว้เลยนะว่าแม่บ้านคนทําไงเนี่ยแต่พอเรียนเสร็จแล้วกลับไปเป็นได้แค่แม่บ้านเนี่ย แอ้มันก็ผิดกันเ่ยทีวิชาที่เรียนบงคลเรียนโหสารพัดเลยใช่ไหมใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยกรรมเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแห่งรูปได้เพราะงั้นอีกอย่างก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นว่ามหากุศลอากุศลเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าผลที่มันตรงกับเขาก็คือวิบากจใช่ไหมเหตุเป็นนามผลต้องเป็นนามดิ แต่ก็ยังให้ผลผิดกันโดยความให้รูปมาได้เช่นใดก็คืออย่างนี้นมสดถ้าปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปแล้วกลายเป็นนมเปรี้ยวได้ไหมเห็นไหมเนี่ยมันก็ผิดได้ด้วยประการในลักษณะอย่างนี้ถ้าบอกว่ากิจของจักขคูวิญญาณอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไอตัวจักรคูวิญญาณเนี่ยกิจของเขาทําหน้าที่ทัศนกิจคือทําหน้าที่เห็นเนี่ยนะเห็นรูปารมณ์เนี่ย แต่จักรขูวิญญาณ น, นั้นจะเกิดขึ้นมาได้นั้นเน่ให้สังเกต ด, ดูที่ว่าตัวอารมณ์ตัวอารมณ์มีรูปอารมณ์เป็นต้นเป็นลูกยังให้ผลคือจักขูวิญญาณเกิดได้เลยมองเห็นอย่างแต่เนี้ยตัวปัจจัยไม่จาเป็นต้องเหมือนกันกับตัวผลใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเหมือนกันกับผลมีมีลูกบางทีหน้าตาก็ไม่จาเป็นต้องเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ ใช่แต่เขาก็มีมาได้ลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าจากขูรูปเป็นต้นเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานะแห่งจากขูวิญญาณน่อายกตัวอย่างเช่นว่าจากขูวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้พ่อมีจากขูประสาทไอ้ตัวจากขูประสาทก็เป็นรูปใช่และตัวอารมณ์ก็เป็นรูปแต่ให้ผลคือจากขูวิญญาณได้อย่างเนี้ย ทีนี้ถ้าหากว่าชาวนาในวิถีเดียวกันอันนี้ไม่ผิดใช่มเป็นชาวนาได้เหมือนกันแต่แม้แต่ชาวนาได้เหมือนกันในการให้ผลจิงต่างกันเหมือนกันนี่แต่ถ้าหากคนละวิถีต่างกันเลยตัวเนี้ยปัจจัยที่ผิดกันและไม่ผิดกันกับผลเป็นเหตุให้สาเร็จชั้นใดแม้ปัจจัยที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันกับผลก็เป็นเหตุสาเร็จได้ชั้นนั้นเหมือนกันถามในกลุ่มของรูปล่ะ อุตุการอาหารซึ่งเหมือนกันนั่นเองเป็นปัจจัยแก่รูปอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวสาลีเนี่ยข้าวสาลีที่เขาไปปลูกเนี่ยนะเกิดจากอุตุเกิดจากมีปุ๋ยมีอาหารอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปให้ผลแก่รูปได้เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเหมือนกันเป็นปัจจัยแก่เมล็ดข้าวเป็นต้นรูปซึ่งแม้ ไม่มีเหมือนกันแต่เป็นปัจจัยแก่อรูปได้อรูปเล่าก็เป็นปัจจัยแก่รูปได้ถ้าอย่างหนึ่งขนโคขนแกะเขาสัตว์นมส้มงาแป้งมาเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไม่เหมือนกันก็เป็นปัจจัยแก่หญ้าแพรกและแตะไคร้เป็นต้นได้นี่เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าอาวิชานี้เมื่อว่าไปแล้วเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มีผลไม่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวและว่าโดยสภาวะก็เป็นสิ่งที่มีโทษ แต่ก็พึงทราบถือว่ามันเป็นปัจจัยแก่สังขารมีปุญญาพิสังขารเป็นต้นทั้งหมดได้ด้วยสามารถเป็นปัจจัยที่ผิดกันและไม่ผิดกันโดยฐานะโดยกิจแล้วก็โดยสภาวะรู้จักฐานะไหมโดยฐานะคือว่าโดยโดยเวลาใช่ไหมโดยเวลาในการให้ผลมันต่างกันโดยเวลาประการต่อมาคือโดยหน้าที่ เช่นโมหะเนี่ยมันปิดบังสภาพตามความเป็นจริงไว้ใช่ไหมหน้าที่ของเขาเนี่ยคือมืดบอดเป็นต้นเนี่ยแต่ว่าตัวผลของเขาถ้าเป็นบุญนะเออผลหน้าปาฏิาริย์หน้าปรารถนาระดับหนึ่งนะโดยสภาวะเขาไม่เหมือนกันเลยอกุศลกับกุศลโมหะเป็นสภาวะของอกุศลที่มีโทษแต่มหากุศลเป็นให้ผลเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้นะเขาจังหวะบุคคลใดนะ หลงในธรรมเหล่านั้นหมายความว่าบุคคลใดหลงในกามาพบรูปพบในอารมณ์พบบุคคลนั้นก็จะทํากรรมที่เกี่ยวกับปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารและอนินชาพิสังขารบุคคลใดหลงในวัตตน์หลงในสังสารวัฏเขาเรียกว่าหลงในอะไรนะหลงในเรื่องจุติและหลงในเรื่องอุบัติ ความเป็นไปของขันธ์ธาตุอยนายตนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าจุดติและอุบัตขึ้นหรือปฏิสนธิถ้าใครยังหลงเรื่องนี้อยู่ก็จะต้องทำกรรมสามประเภทมีโมหนะนี่แหละเป็นตัวทําให้ทําไปงนะความสืบเนื่องกันของขันธ์ธาตุอยายตนะทั้งหลายเป็นไปอยู่ไม่ขาดสายที่เขาเรียกว่าสงสารเนี่ยนะหลงจุดติหลงอุบัทะคือหลงการเกิดเนี่ยนะ ความปรากฏขึ้นแห่งขันทั้งหลายในภพเนี่ยชื่อว่าชาติก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าในลักษณะอย่างนี้คือกลุ่มที่มีอวิชานี่เป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้จึงบอกว่าหลงในลักษณะแห่งสังขารทั้งหลายโดยสภาวะลักษณะมีความเสื่อมเป็นต้นไปก็ไม่รู้ใช่ไหมหลงปัจจาลักษณะได้ลักษณะเฉพาะตัวของสังขารเหล่านั้นก็ไม่รู้เปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดเมื่อวานนี้พูดไปแล้ว ไม่มีคนจูงบางทีก็เดินตามทางบางทีก็เดินออกนอกทางชั้นใดก็ดีคนเขาท่องเที่ยวไปในสงสารไม่มีผู้ชักนำบางคราวก็ทำบุญบางคราวก็ทำบาปไม่ใช่บุญฉะนั้นทีนี้ต่อเมื่อใดเขารู้จักธรรมแล้วก็ตรัรรร 4, สรู้สัจจาทั้งสี่กาตรึก่าคือตรัสรู้ทุกเป็นต้นเมื่อนั้นเนี่ยวิชาก็สงบไป เขาจักเป็นผู้ที่พ้นจากวัตทุกข์พ้นจากปฏิติองค์ของปฏิจจสุบาทได้ก็ว่ากันมีเป็นอย่างนี้นะนะเมื่ อ, อกี้ที่บอกว่านั่นมาที่พูดให้ท่านทัพฟังแล้วท่านเยีนฟังที่บอกว่าเป็นนักโทษถ้ารู้ว่าตนเองเป็นนักโทษและไม่ได้ปรารถนาที่จะพ้นจากโทษอันนี้คือคือกลุ่มผู้ผู้ปรารถนที่ไม่อยากจะออกจากห้องขังนะ เหมือนในสังสารวัฏเนี่ยนะเราเป็นนักโทษเนี่ยพอไปเกิดแล้วก็คือเป็นนักโทษประหารกันหมดใช่ไหมก็จะแปลว่าต้องถูกประหารแล้วแต่ไม่เคยคิดออกจากความเป็นนักโทษเลยเนี่ยอันนี้อวิชาปิดกั้นโดยแท้เลยอันนี้มืดเลยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ตนเองว่าเป็นนักโทษเกิดมาในพบไหนเนี่ยก็จะต้องไปถูกฆ่าเนี่ยนะถ้ารู้ตัวเองอย่างนี้เอ๊ะที่เราไม่ได้รู้เพราะเราไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เกิดญาณปัญญาเนี่ยนะ ถ้าเกิดยานปัญญาแต่เนี้ยคิดใหม่บอกว่าเราจะพ้นจากความเป็นนักโทษให้ได้แล้วก็น้อมปฏิบัติในการที่จะออกจากความเป็นนักโทษออกจากสังสารวัตรทารักษณะอย่างนี้คือไม่มีอวิชาเป็นอัธยาสายอะไรแต่เนี้ยนี่เป็นอย่างนี้อภรการต่อไปคือวิญญาณใช่ไหไปทําความเข้าใจในวิสังขารปัจญาวิญญาณังเนี่ยนะที่บอกว่า ดูวิญญาณก่อนวิญญาณนี่เป็นคําว่าวิญญาณได้แก่วิญญาณ6ก็ะไรนะจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคาณนาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณใช่ไหมทีนี้ในจากขูวิญญาณเขาแยกเป็น2จากขูวิญญาณที่เป็นกุศลนิบากและที่เป็นอกุศลนิบากโสตวิญญาณคาณนาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณก็แยกเป็นในลักษณะอย่างนั้นมโนวิญญาณมี22 ที่มาเป็นวิญญาณเนี่ยนะโลกเยวิปากจิตยีบสอโลกเย้ปากจิตมีสาสบสองใช่ไหมเว้นทวีปัญจวิญญาณออกไปเป็นปัญจวิญญาณหเหลือยีสบสอเป็นมโนวิญญาณว่ากันเข้าใจอะไรนะแต่เนี้ยวิญญาณคือหมายถึงตัวเนี้ยมโนวิญญาณมีพวกมโนธาตุใช่ไหมมโนธาตุที่เป็นกุศลนิบาศอกุศลนิบาศมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอหิยทุกกะ อีกสชั้นที่สอ่ะแล้วกามาวจระวิบากจิตเป็นสเหตุกาแปเป็นรูปาวจระจิตหอรูปาวจระจิตสลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกยาวิปากวิญญาณห่ืนั้นทีนี้ธรรมชาติของวิญญาณเนี่ยธรรมชาติของวิญญาณเพราะอาจจะว่าอะไรวิชานาตีติวิญญาณังเนี่ยนะ ธรรมชาติได้รู้อารมอยู่ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อวิญญาณเขาแปลรู้อารมณ์จากขุจากคุวิญญาณรู้อารมณ์ทางไหนรู้อารมณ์ทางตาโสตวิญญาณรู้อารมณ์ทางหูเนี่ยนะแต่ต้องบอกว่าจากคุวิญญาณรู้อารมณ์ทางตารู้อะไรรู้รูปรู้สีโสตวิญญาณรู้อะไรรู้เสียงเอาไว้ต้องบอกว่ารู้ทางเสียงเราจะต้องรู้ด้วยแนวเสียงอะบางคนบอกเอาหูไปไปดูนี่ยุ่งเลย ขานวิญญาณก็รู้อารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้อารมณ์ทางลิ้นกายวิญญาณรู้อารมณ์ทางกายมโนวิญญาณก็รู้อารมณ์ทางใจเนี่ยนะบุคคลทั้งหลายวิชานันติเอเตนาติวิญญาณังบุคคลทั้งหลายย่อมรู้อารมณ์เป็นพิเศษโดยธรรมชาติใดฉะนั้นธรรมชาติจึงเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายรู้อารมณ์เป็นพิเศษฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชียววิญญาณทำไมจึงเรียกว่ารู้อารมณ์เป็นพิเศษวิญญาณทำไมจึงเรียกว่ารู้อารมณ์เป็นพิเศษรู้อารมณ์เป็นพิเศษกว่า กว่าอะไรกว่าสัญญาและปัญญาใช่ไหมไม่เหมือนสัญญารู้อารมณ์ไม่เหมือนปัญญารู้อารมณ์ถ้าปัญญาเข้าไปรู้ไตรลักษณ์ใช่ไหมได้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าสัญญาเนี่ยรู้จําช่ไหมจำในสีในกลิ่นในรสเนี่ยถ้าวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งก็ว่าไงรู้แจ้งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยทางใจเนี่ยนะ ทีนี้วิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารน่วิสังขาราปัจจยาวิญญาณนางสัมพวันติวิญญาณย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยสังขารสามเป็นเหตุสังขารที่เป็นผลของอวิชามีกี่อย่างมีสองอย่างใช่สังขารที่เป็นผลของอวิชาสังขารสแเจตนาที่ในอาอกุศลสิบและโลกยากุศลสิบกับสังขารที่เป็นเหตุให้เกิด วิญญาณในอาผญญาพิสังขารยกเว้นเจตนาที่ในอุทธจัตต์สัมปยุตเห็นไหมเรียนไปเรียนมาเอาอะไรตเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะบอกว่าวิญญาณไหนมีเพราะปัจจัยสังขารไหนเป็นต้นเนี่ยนะวิญญาณทั้งหมดเนี่ยนะในเหตุกาเนี่มีวิญญาณเท่าไหร่มีวิปากวิญญาณเท่าไหร่อเหตุกกาวิปากกจิตสิบห้าใช่ไหม สิบห้าแล้วนะแล้วก็อะไรกันแล้วก็อเหตุกวิปากจิตสห้ามีสิบ้าใช่ไหมอาเหตุตุกวิบากมีสิบห้าในสิบห้าดวงเนี่ยเป็นผลของกุศลเท่าไหร่เนี่ยเป็นผลของกุศลแปดเขาเรียกอาเหตุตุกกกุศลวิบากแปดเนี่ยนะจากขูวิญญาณที่เป็นกุศลโสตคานาชิวหากายะสัมปติสันติที่เป็นกุศลเนี่ยนะมีแปดดวง ส่เหตุกะมหาอิบากที่เป็นใส่เหตุตุกะนี่นะมีอีกแปดรวมเป็นสิบหกนี่เขาเรียกวิบากสิบหกปุญญาพิสังขารเจตนาที่เป็นบุญให้วิบากสิบหกนี่เกิดขึ้นเห็นไหมเจตนาที่ในมหากุสลให้วิบากสิบหกนี่เกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสิบหกเห็นนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ เกี่ยวกในเรื่องของบอกว่าจากขู ian, วิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวญาณกายย่อมวิญญาณที่เป็นวิบากยิ่งเกิดขึ้นมโนท่าที่เป็นวิบากก็เกิดขึ้นมโ น, นยานาท่าที่เป็นสันติระนาโสมนสันติระนาเป็นต้นก็เกิดขึ้นมโ น, นยานาท่าที่เป็นอุเบขาก็เกิดขึ้นทีนี้บอกว่าในขณะที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ <language> นเขาเรียกว่าวิญญาณที่เป็นวิบาก มีเหตุเพราะสังขารที่เป็นกุศลนี่เป็นอย่างนี้นะส่วนรูปาวัจจลวิบากห้าดวงเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยรูปาวัจจะละกุศลหนี่นะกลุ่มพวกนี้กลุ่มที่สังัดจจากกรรมนะสังัดจากกรรมนะสังัดจากกาดจากพยาบาทมีกายวิเวกจิตวิเวกเป็นต้นนะนะเข้าปฐมวิชานทุเตียาชานตัที่ชาน ปัญจวัชรอมีวิบากดังนั้นอยู่เป็นต้นเนี่ยนะลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามีเพราะสรุปแล้วเท่าไหร่เนี่ยสิบวกหเป็น21่ิบนะืวีย ญ, ญาณ21นี้มีปัจจัยก็คือว่ามีปุญญาพิสังขารมีมหากุศลเจตนาและโลกุศลเจตนาเป็นต้นนะนะส่วนวิญญาณอีกเจ็จากขูวิญญาณโสตวิญญาณคาณาวิย ญ, ญาณชิวหาวิย ญ, ญาณกายยะวิย ญ, ญาณสัมปติชนะหนึ่ง สันติระอกุศลสันติระนหนึ่งที่เป็นอกุศลวิบากเขาเรียกว่าวิญญาณเจเป็นอกุศลวิบากนี่นะอกุศลวิบากที่เกี่ยวกับในเรื่องของทวีเอิงเขาไปจากบุญญาณโสจอมย า, านคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณสัมปติและสันติสิ่งเหล่านี้มีอปุญญาพิสังขารกรรมเป็นอกุศล ให้ผลคือจากขูวิญญาณเป็นต้นที่เป็นอกุศลและวิบากนี่เป็นอย่างนี้นะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นให้วิญญาณเกิดขึ้นส่วนวิญญาณสี่อรูปป่าวิญญาณสี่อากาสาวิบากวิญญาอากินวิบากวิญญาวิบากอากินวิบากเนวะสัญญาณาสัญญายนาวิบากเกิดมาจากอรูปกุศลสี่ลักษณะอย่างนี้เขาก็บอกว่า รูปวิบากวิญญาณสี่เกิดขึ้นเอออรูปวิบากวิญญาณสี่เกิดขึ้นมาจากอนเนชาพิสังขารใช่ไหมอนเนชาพิสังขาร น, นี่มีมีได้ด้วยด้วยลักษณะอย่างนี้เออตอนนี้ถ้าไปดูบอกว่าสังขารที่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณในอนปุญญาพิสังขารยกเว้นอะไรถ้าดูกันให้ชัดตลงไปต้องยกเว้นด้วยนะ เจตนาที่ในอุทธจารสมยุธิจิตขณะที่อกุศลวิบากปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นโดยอาศัยอปุญญาพิสังขารเป็นเหตุเนี่ยคืออย่างนี้อุทธจารสัมาธิเนี่ยนะอุทธจารสมาธิในดวงไหนดวงที่สองโมหะโมหจิตดวงที่สองเนะโมหะโมหะจิตดวงที่สองเนี่ยไม่ทำไม่ทำปฏิสนธิวิญญาณในในปฏิสนธิการปกติอกุศลไดจิตสองเนี่ยให้ปฏิสนธิได้กี่ดวง ให้ดวงเดียวนะแต่ดวงเดียวเยอะนะกรรมเหล่าเนี้ยพอเพอินไม่ได้ไปคูณอารมณ์คูณการคูนทุจริตมีเยอะกันก น, นะกลุ่มทุจริตเหล่าเนี้ย เ, ออเดี๋ยวเราไปศึกษาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมองเห็นชัดเดี๋ยวไปแยกวิญญาณก่อนพอแยกวิญญาณแล้วก็จะรู้นะว่าเอออะไรเป็นอะไรเช่นสังขารในกามาพบให้ปฏิสนธิวิญญาณในกามาพบ ถ้าย่อลงไปอีกบอกว่าสังขารในสังขารที่เป็นอนปุญญาพิสังขารในการมาพบเนี่ยนะให้ปฏิสันที่วิญญาณในใบยภูมิเนี่ยเราจะเห็นเลยนตว่าเวลาแยกออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงว่ามันให้ปฏิสนที่วิญญาณให้อย่างไงนะอายกตัวอย่างเช่นว่าโลภะหนึ่งดวงไงเนาะอโลภะหนึ่งดวงนี่นะในโลภะหนึ่งดวงนั้นเน่ยถ้าว่าโดยแล้วเนี่ยเขาได้ ทุจริตสิบไหมได้ทุจริตสิบไหมได้กลุ่มปาณาทิบาทเป็นต้นไหมได้ทุจริตสิบเลยและยังได้อารมณ์หกไหมได้กรรมสา ม, มไหมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเห็นไหมฉะนั้นในกลุ่มของโลภะหรือโทสะหรือโมหะที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเขาให้ผลปฏิสนธิเนี่ยได้ปฏิสนธิหนึ่งแต่ความที่วิ ปฏิสนธิวิญญาณมันให้ปฏิสนธิวิญญาณหนึ่งยิงใช่ไหมอปุญญาพิสังขารเนี่ยเจตนาที่ในโลภะดวงที่หนึ่งก็แต่งปฏิสันที่ได้ดวงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือโทสะดวงหนึ่งดวงสองเนี่ยนะโมหะดวงที่หนึ่งแต่งปฏิสันที่ได้อุทธจารเจตนาแต่งปฏิสนทีไม่ได้ปฏิสนที่วิญญาณไม่ได้แต่แต่งประวัติวิญญาณได้วิญญาณในประวัติการได้โอ้ท่านทับมองอย่างนี้เราจะเห็นใช่ไหม อภัยศาสตร์เนี่ยบอกว่าอยอย่างมดปลวกให้นะปลวกแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยในจอมปลวกเลยนะมันเห็นหมันมาจากคนละองค์ทีอารมณ์เดียวกันกรรมเดียวกั น, กกนแต่เจตนาต่างกันว่างั้นยังมีเจตนาแบบประเภทเนะียเร็วประเภทธรรมดาเร็วปานกลางแล้วเร็วที่สุดเนี่ยนะว่างั้นมันยังมีความวิจิตพิสดารอยู่ไหมแม้แต่ในปลวกมดใช่ไหม นอนน่ยในกลุ่มหมูน่นอนเนี่ยหุยมากมายนะบางกลุ่มก็มีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นมีรสมีสัมผัสบางกลุ่มก็ทำกายกรรมวุมีกรรมและมโนกรรมอยู่เงี้แเ่นเวลามันให้มามันจึงวิจิตพิสดารจริงๆใช่ไหมไอตัวอกุศลเนี่ยอกุศลเจตนาเนี่ยให้ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยให้มีอัตภาพที่แปลกปกพิสดาร น, นี้ก็เรียกว่า อวอิสังขารในการมาพบให้ปฏิสันที่วิญญาณในการมาพบในกลุ่มเนี้นะประเภทที่ว่าถ้าเราไปตรวจสอบดูในกลุ่มที่ว่าถ้าไปดูพวกอวัตว์เนี่ยอย่างว่าวัวควายเนี่ยนะที่มากมายจริงๆเนี่ยลงค่าสัตว์เนี่ยนะเราไปดูโอ้เนี่ยแต่ละคนก็มีปฏิสนที่วิญญาณมาแต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวมีปฏิสันที่วิญญาณมาละหนึ่งละหนึ่ง แต่ปฏิสนธิวิญญาณมีอารมณ์มาก็ต่างกันนะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสหรือมีธรรมะเป็นอารมณ์เนี่นะและในอัธยาศัยที่สั่งสมกรรมมาก็คุละกรรมคุละกรรมคุละกรรมเลยนะยังมีจิตพิสดารไปเยอะนะถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วโอ้โหเนี่ยแต่ที่แน่ๆคือสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ทำปริญญาในอารมณ์เหล่านั้นเลยไม่ได้ทําเลยนะแล้วก็เคยเกี่ยวข้องกับเรามาก็เยอะใช่ไหมทั้งนั้นเราจะเห็นได้ไงแล้วที่เราเคยเห็นเนี่ย ได้ยินเสียงอวบยศาสตร์ร้องได้เห็นรูปได้กลิ่นของอวบยศัตว์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกันเนี่ยแสดงว่าเขาก็เคยเกี่ยวข้องกับเรามานะว่างั้นนะเคยเกี่ยวข้องกับเรามาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นตั้งเยอะแยะทําไมเราไม่เห็นใช่ไหมแสดงว่าเรานี่เห็นถ้าเห็นแล้วยังไปทําความเขาใจผิดเขาโย้ไปใหญ่เลยทีนี้ยังทํากรรมกับเขาผิดพลาดสินี่ตรงเนี้นะสังขารที่เป็นเหตุใ ห, ให้เกิดวิญ ญ, ญาณเนี่ยนะ ทีนี้อากุศลวิบากปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นโดยอาศัยปุญญาวิสังขารเป็นเหตุอุทจจะสัมบุญเจตนามีกำลังไม่พอที่จะส่งผลในปฏิสนธิการได้คงได้อากุศลเจตนาเท่าไหร่สิบเอ็ดนะอากุศลเจตนาสิบเอดนะเว้นอุทจจะเจตนาแต่ถ้าในประวัติการล่นะอากุศลเจตนาบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดบสองเลย ให้ประวัติวิญญาณได้หมดเลยนะหมายความว่าอเยตุกะอกุศลนิบาศเจ็ดเนี่ยมีเป็นอย่างนี้ส่วนปุญญาพิสังขารยกเว้นเจตนาในกุศลแภิญญาแน่นอนเพราะกุศลแลิญญาไม่มีหน้าที่ส่งผลให้วิปากวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ส่งผลทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการด้วยเนะปฏิสนธิการก็ไม่ให้ประวัติการก็ไม่ได้อภิญญาต่างๆให้ผลเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรเป็นประจักสิทธิเป็นประจักสิทธิคือสิทธิที่พึงได้ประจักในขณะนั้นนี่คงได้กุศลเจตนาเท่าไหร่กุศลเจตนาเท่าไหร่ที่เป็นสังขารใ้เกิดวิญญาณเนี่ยกุศลเจตนาสิบสามถูกกุศลเจตนาสิบสามก็คือมหากุศลเจตนา8ดแล้วก็รวบกุศลเจตนาห้ารวมสิบสามเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเท่าไหร่เนี่ยสิบาเนี่ยยี่บเอดนะ เป็นปัจจัยแก้วิญญาณ21คืออเหตุกา ก, ากุศลวิบาก8หมายบาก8รปรูปวิบากรูปวิบากหรวมเป็น21นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลของปุญญาพิสังขารอาเนเณชาพิสังขารให้ได้แก่อรูปเจตนาทั้งหมดไม่มีการยกเว้นนะให้อะไรให้อรูปวิบากกวิวญญาณ เออในการศึกษาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปฏิจจสมุปบาทมีสองในะอภิธรรมในแล้วก็สุดตันใ น, านาอภิธรรมในวิญญาณได้แก่จิต89ตามในญาตขพองพระพิธรรมนี่นะจิต89นี่เป็นวิญญาณจิตทั้งหมดต้องเกิดพร้อมกับเจตนาอันเป็นตัวสังขารขันจึงนับเอาจิตทั้งหมดมีให้เข้าใจตรงนี้ไว้ส่วนตามสุดตันใ น, านาคือในพระสูตร ที่เราศึกษากันเนี่ยนะตัววิญญาณที่เป็นผลของสังขารได้แก่โลกียวิปากวิญญาณ32มีอะไรบ้างอะโลกียวิปากวิญญาณ32มเนี่ยมีอะไรบ้างอหิเหตุเก่าวิปากจ5ตสิบห้มหายบาก8รูปวิบาก5้าอะรูปวิบาก4ี่รวมเป็น32เนี่ยนะโลกียวิปากวิญญาณ32 เพราะปฏิเจตนุบาตโดยสุดตันดาในามีการจำแนกการเรียกว่าอัธามีอติตาาัฐาปัจจุปนอาอัฐานาคตอาานะัฐาเนคือท่านจำแนกเหตุและผลโดยวัตตาทั้งสจึงต้องมีแค่โลกเยยปากะวิญญาณ32เข้าใจใช่ไหมเขาเรียนตามสุดตันดาในานี่เขาแยกตามอัธาสมเป็นไปในวัตตา3กิเลสวัฏกามวัฏแล้วก็วิปากวัฏ วิญญาณนี่ว่าโดยการจัดเข้าในการไหนจัดเข้าในปัจจุบั น, นการนะการในปัจจุบันนี้ว่าโดยเหตุผลจัดเข้าในผลใช่ไหบอกวิญญาณเนี่ยโลกยิายปาวิญญาณนี่เป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นวิปากระผลเป็นผลว่าโดยวัตตาวิญญาณนี่เป็นวิปากระวัตจะเป็นวิปากวัตวนคือวิบาก วิญญาณที่เป็นผลของสังขารที่แสดงตามสุดตันตะในได้แก่โลกย่อยปากวิญญาณสาสบสองใช่ไหมในโลกย่อยปากวิญญาณสาสิบสองเนี่ยที่เป็นผลของสังขารมีอยู่กี่กี่พวกมีกี่พวกมีสองพวกคือปฏิสนธิวิญญาณได้แก่ปฏิสนธิจิตสิบเก้าและก็ประวัติวิญญาณคือโลกย่อยปากจิตสาสบสองเออแต่นี้คันจะไปแยกแล้ว แยกปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นผลของสังขารใช่ไหมแยกออกเป็นสองพวกนืพอพูดถึงปฏิสนธิเนี่ยนะเดี๋ยวจะพูดถึงปฏิสนทิเนี่ยปฏิสนธิเนี่ยคือมีเท่าไหร่ปฏิสนธิมีกี่อย่างปฏิสนธิทั้งหมดมี20ใช่ไหมปฏิสนทิของพวกอสัญญาสัตตาปฏิสนธิก็คือพวกรูปไงรูปปฏิสนธิ แล้วก็ปฏิสนที่น้มก็คือปฏิสนธที่จิตเกนะถ้าปฏิสนทิของพวกอบายทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกอหตุกะปฏิสนณิถ้าเรียกให้ตรงเรียกยังไงดีถ้าเรียกว่าอเหยตุกะมโนวิญญาณนาตที่เป็นอกุศลนิบาตได้ไหมได้นะอหิตุกะวิญญาณนาตามโนญาณนาตาที่เป็นอกุศลนิบานะตปฏิสนทิของคนบอดแต่กําเนิดหูหนวกแต่กําเนิด คนบ้าแต่กำเนิดคนใบ้แต่กำเนิดแล้วก็เป็นกระเทยทั้งหลายในมนุษย์โลกย่อมมีด้วยเหตุกุกะมโนวิญญาณท่าที่เป็นเป็นกุศลวิบากถ้ากลุ่มนั้นเป็นกุศลวิบากใช่ไหมเอ่อพวกกลุ่มนั้นเป็นอย่างเช่นพวกบอดบ้าบ้าบอดนวกแต่กาเนิดพวกนี้กุศลวิบากนะไม่ใช่อกุศลนะกลุ่มนี้กลุ่มนี้อกุศลแต่กลุ่มนี้กุศลมีเป็นนี้ แต่ถ้าดูอย่างนี้บอกว่าอาปุญญาพิสังขาร11เว้นอุทธจารเจตนาเป็นเหตุอุเบกขาสันตินะอกุศลวิบากหนึ่งเป็นผลให้ปฏิสนธิในทุกติภูมิเป็นอหตทุกะบุคคลหรืออใบรรยสัตว์ในใบรรยภูมิสี่นี่พวกนี้นะปุญญาพิสังขารคือทวีเหตุกะโอมะกะเจตนาสี่เป็นเหตุอุเบกขาสันตินะกุศลวิบากหนึ่งเป็นผลให้ปฏิสนธิเป็น สุคเตเหตุกขบุคคลมนุษย์เทวดาชั้นต่ำบ้าใบา บ, า บ, าบอดหนวกนะเนี่ยนะถ้าปุญญาพิสังขารคือทวีเหตุกะอุ ก, กัถาเจตนาศีและติเหตุุตุกะอมะกะอุศลเจตนาศีเป็นเหตุมาให้บากญานวิปยุทธศิษย์เป็นผลในปฏิสนธิการเป็นทวีเหตุกขาบุคคลหรือเป็นมนุษย์เทวดาชั้นกลางในการมสุกติภูมิ7คือมนุษยหนึ่งเทอภูมิ6นะ ถ้าเป็นมหาบากญาณสัมปยุตตจิตสีเป็นเหตุนะเออขออภัยถ้าปุญญาพิสังขารคือติเหตุกกะอุกตะกุศลเจตนาสี่เป็นเหตุมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตสีเป็นผลให้ปฏิสนธิเป็นติเหตุกะบุคคลคือมนุษย์เทวดาชั้นสูงในการมสุขติภูมิเจ็ดดวงนี่คือปุญญาพิสังขารถ้าปุญญาพิสังขารที่เป็นรูปกุศลเจตนาห้าเป็นเหตุ รูปวิบากห้าเป็นผลให้ปฏิสนธิเป็นติเหตุกาบุคคลคือรู ป, ปภพมในรูปภูมิ15เว้นอสัญญาสัตต ภ, ภมูมิอเนนชาพิสังขารก็คืออรูปกุศลเจตนาสีเป็นเหตุอรูปวิบากสี่เป็นผลให้ปฏิสนธิเป็นติเหตุกาบุคคลในอรูปภมูมิเป็นอรู ป, ปภพมในรู ป, ปภูมินะลักษณะนี้คือเขาจําแนกเดือต่อนะเกี่ยวในเรื่องของสังขารเป็นปัจจัยเกิด วิญญาณน่ยนะในสังขาร3คือปุญญาพิสังขาร อ, ญญาารอาารปุญญาพิสังขารและอาเนินชาพิสังขารปุญญาพิสังขารได้แก่มหากุศลเจตนา8แล้วก็รูปกุศลเจตนา5ส่วนอปุญญาพิสังขารได้แก่อกุศลเจตนา12อาเนญชาพิสังขารได้แก่อากุศลเอารูป อารมณ์กุศลเจตนาสีนะ่นจะลืมๆไงไปหนึ่งทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเนี่ยนะพอพูดถึงในเรื่องของวิญญาณก่อนวิญญาณนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ดูในหลักสูตรนะวิชานาตีติวิญญาณังเนี่ยธรรมชาติใดรู้อารมณ์อยู่เสมอฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อวิญญาณบอกนะ เข้าใจคาว่ารู้อารมณ์อยู่เสมอไหมวิญญาณทุกประเภทอันนี้นะไม่ว่าจะเป็นปฏิสันที่วิญญาณเขาก็รู้อารมณ์ปวัติวิญญาณเขก็รู้อารมณ์วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายและวิญญาณทางใจล้วนต้องรู้อารมณ์อยู่เสมอนี่เป็นอย่างนั้นลักษณะของวิญญาณก็แปอรู้อารมณ์ประการต่อมาคือว่าเกี่ยวในเรื่องของวิชานาะ วิชานันติเอเตนาติวิญญาณังนะนะบุคคลทั้งหลายย่อมรู้อารมณ์ย่อมรู้อารมณ์เป็นพิเศษโดยธรรมชาติใดฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุให้การรู้อารมณ์เป็นพิเศษนั้นเชื่อวิญญาณพวกนั้นการรู้อารมณ์แบบวิญญาณเขาเรียกว่ารู้พิเศษพิเศษกว่าอะไรรู้ไหมพิเศษกว่าสัญญาพิเศษกว่าปัญญารู้พวกนั้น คือเขาพิเศษในที่นั้นคือแยกออกมาต่างหากจากสัญญาจากวิญญาณเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการรู้พิเศษทีนี้บุคคลทั้งหลายย่อมรู้อารมณ์เป็นพิเศษโดยธรรมชาติใดฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายรู้อารมณ์เป็นพิเศษจึงเชื่อวิญญาณว่าสังขารปัจจยาวิญญาณนังสัมภัตติวิญญาณย่อมปรากฏขึ้นเพราะอาศัยอะไร อาศัยสังขารสมเป็นเหตุครั้งที่แล้วบอกว่าไงบอกว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสังขารสามเป็นเหตุนั้นคือวิญญาณอะไรใช่ไหมถามว่าคือวิญญาณอะไรเอ่ะวิญญาณมีกี่อย่างเลยแต่เนี้ยวิญญาณอะไรเขาบอกวิญญาณ19บเ้าแท้จริงอ่ะนะถามบอกปฏิสนธิวิญญาณมีกี่อย่า ง, ญญาาญญางาปฏิสนธิเจิต ม, มีเท่าไหร่ ปฏิสันที่ย่อมมีในพบไหนด้วยจิตอะไรอะไรเป็นอารมณ์ของปฏิสันทิ่ <c oughs> เขาตั้งประเด็นกันไว้ปฏิสันทิจริงๆแล้วมีย0สบถามมีกี่อย่างเนี่ยตัวปฏิสันที่มี20ิกี่อย่างใช่ไหม <c oughs> ปฏิสันทิของอสัญญีสัตว์อันนั้นคือเป็นพวกรูปปฏิสันทิส่วนปฏิสันทีของ19ก็คือ กลุ่มของนามปฏิสนันธะิมีทั้งหมด19ใช่ไหมรูปปฏิสนันธิ1แล้วก็นามปฏิสนันธิ9รวมกันยึงเป็นปฏิสนันธิ20นี่เป็นอย่างนี้เลยปฏิสนันธิ19เลยปฏิสนันธินามสิบเก้าปฏิสนันธิรูป1รวมเป็นปฏิสนันธิ20่ะเนี่ยในปฏิสนันธิจิตสินั้นน่ะถามบอกว่าสังขาร สังขารที่เป็นองค์ของปฏิจจสุบาตมีกี่อย่างวกสังขารที่เป็นผลของอวิชาย่อมได้สังขารสาทั้งหมดใช่ไหมคือเจตนาที่ในอกุศลไดจิบสอและก็โลกยกุศลเจตนา17สังขารที่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณในอปุญญาพิสังขารยกเว้นเจตนาที่ในอุทธจัจเจตนา หอุทธจักเจตนาหนึ่งในขณะที่กุศลวิบากปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นโดยอาศัยอปุญญาพิสังขารเป็นเหตุถามบอกว่าอุทธจักสัมปยศเจตนามีกําลังไม่พอที่จะส่งผลในปฏิสนธิการได้บอกเงินเอาทำไมอุทธจักเจตนาจึงไม่สามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้เพราะอะไรฟุ้งเลยนะ ลักษณะที่ฟุ้งไม่ตั้งมั่นทีนี้ให้สังเกตดูว่าโมหะมูลจิตดวงที่สองเนี่ยไม่ส่งผลในปฏิสนธิการแต่ถามว่าในมรณาสันวิถีเนี่ยอุท ธ, ธิจารเจตนาเกิดได้ไหมเกิด<ม> <ir> ได้นะครับไม่ใช่จะเกิดไม่ได้เนะี่ยไม่ใช่โมหะอุท ธ, ธิจารเจตนาไม่เกิดในขณะใกล้ตายไม่ได้ไม่ใช่นะใช่ <salsa> ไหมไม่ใช่ตัวอุท ธ, ธิจาะ ตัวโมหะดงที่สองสิโมหะชาวนาดงที่สองเน่ยถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเพราะตัวตัวชวนะมรณาสันนัชาวนาไมาา่ใชา่ตัวรำปฏิสนธิใช่ไหมไม่ใช่ตัวทำปฏิสนธิเราใช่ <c oughs> ไห ม, ป <c oughs> มเป็นตัวบ่งบอกแค่นั้นเองว่าเขาจะไปไหนหรือไม่ไปไหนอนมะมรณาสันนวิถีไม่ได้นําปฏิสนธินะ ฉะนั้นถ้าเขียนมรณาสันวิถีไว้เป็นใส่อกุศลจิตสิบสองไปเนี่ยใสไปเฮานะแล้วก็อกุศลเจตสิกยี่สิบเจ็ดก็ใสไปเหอะแต่ว่าเพราะจิตเหล่านี้ไม่ได้ทําปฏิทำกรรมในไม่ได้ไม่ส่งผลในปฏิสนธิการอยู่แล้วถ้าจะส่งก็ก็ส่งในมรณาสถานการเออในขอ้อพายส่งผลในประวัติการนี่เป็นนี้ ฉะนั้นในปฏิสนธิการเขาไม่ได้ให้ใช่ไหมแต่กรรมก่อนหน้านั้นต่างหากกรรมก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นตัวให้วิบากเกิดขึ้นในภพถัดไปว่าไหมนี่เป็นอย่างนี้นะได้ฟังตรงนี้บางคนอาจจะมองไม่เห็นนะเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพก็พยายามนึกๆเอาฟังว่าทำเนี่ยก็าบต้องนึกนะพุทธีนะต้องนึกนะเออเนี่ยมันเป็นอย่างนีน้สรุปก็คือว่าไอ้ฟุ้งๆเนี่ยเป็นกรรมไหมเป็น เป็นโมหะนะบอกเป็นโมหะใช่ไหมส่งผลในปฏิสนธิการได้ไหมโอไม่ได้หรอแต่ถามไม่ได้ส่งในประวัติการได้ไม่ได้ถามว่าแล้วอย่างนั้นล่ะเมื่อเกิดในวรนาสันาวิถีล่ะได้ไม่ได้แต่เขาไม่ได้ทํากิจนําปฏิสนธิในภพต่อไปแต่ว่าเป็นปัจจัยให้พวกพวกกันได้ไหมให้ในกลุ่มของอกุศลเนี่ยได้เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยกับโมหะดง ในเจตนาใ น, ในอกุศลอีกได้ได้หมดเลยนะที่เป็นอย่างนี้แต่ในประวัติการสามารถที่จะส่งผลให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นได้นะด้วยอกุศลเจตนา12ทั้งหมดเนะี่ยในประวัติการเขาสามารถส่งให้ได้จะนั้นอุทธจารเจตนา11เท่านั้น จึงจะสามารถส่งผลในปฏิสนธิการได้สรุปก็คือว่าเจตนาในโลพาแปเจตนาในโทษาสองเจตนาที่ในโมหมูลจิต ด, ดวงที่หนึ่งหรือวิจิกิสาวิจิกิฉาหนึ่งสิอดวงนี้ส่งผลในปฏิสนธิการได้ส่งผลในปฏิสนธิการได้เจตนากรรมเหล่านี้ เจตนากรรมที่เป็นไปกับอกุศลก ร, รมรบวชทั้งหลายที่กระทำกระทำกันลงไปเนี่เช่นพวกนี้ส่งผลนําอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนําปฏิสนธิได้สี่ภูมนินะเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานและก็สัตว์นรกเปรตเอเปรตนําก่อนเนี่ยแล้วก็ตามด้วยอสุรากายแล้าาแลกลกวก็สัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกพวงนหนึ่งเพราะอสุรกายกับเปรตเนี่ยหยุดจุดเดียวกั น, นบ้าง อสุรากายบางประเภทก็เป็นเทวดาก็มีทีนี้ถ้าถามบอกว่าสัตว์นรกหนักสุดลองลงมาสัตว์รัชานถูกไหมแล้วก็มาเปรตคือกลุ่มอสุรากายเปรตแล้วพอมาถึงมนุษย์เลยกรณีที่กรณีที่เกี่ยวในเรื่องของความหนักเบาของอุตุลกรรมส่งผลเลยนะถ้าสัตว์นรกนี่ระเจ็บปวดมาก แต่างค น, นมองไม่เห็นกันนวสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะไม่น่าจะลองๆองจากจันตลกพวกงั้นเขารับส่วนบุญเมียแต่ไม่ใช่เปรตดีกว่าคุยไปคุยมาไม่ดีทั้งหมดในที่พูดไปเนี่ยไม่ดีทั้งหมดเลยแต่มาจัดลองลำดับดูว่าถ้าเป็นเปรตเนี่ยสมมติว่านะฮะสักสามสี่พุทธันดอนพอจะได้รับส่วนกุศลที่เขาอุทิศให้ได้บ้างขนาดนั้นนะ ถ้ากำ ม, มันปิดบังเนะประเภทที่ยังหนาหนาเลยนะแต่ถ้าเป็นสุนัขเนะโอกาสมันจะลงต่ำมันสูงใช่ไหมสูงมากเขาเรียกว่าช่องทางของการที่จะไปต่ำได้ง่ายมากแต่ว่าอย่าว่าจะอาบายศสัตว์เลยแม้แต่มนุษย์นะแม้แต่มนุษย์อย่างเราเทั้งหลายนี่ก็โอกาสก็ยังไปได้ไปได้ง่ายมากนี่เป็นอย่างนี้อภะการต่อไปนะ อะการต่อไปสังขารที่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณขออภัยส่วนปุญญาพิสังขาร น, นั้นเว้นเจตนาที่ในกุศลอภิญญาแน่นอนนะเพราะกุศลอภิน ญ, ญาเนี่ยไม่ส่งผลในปฏิสนธิการไม่ส่งผล เพราะกุศลอภิญญาไม่มีหน้าที่ส่งผลที่เป็นวิบากวิญญาณเลยนะไม่มีเลยลองไปพิจารณาหรือไปดูตามคําสอนดูที่เห็นไว้อภิญญาเนี่ยไม่ให้วิญญาณเกิดขึ้นหรอกเพราะมันเป็นกุศลพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นความพิเศษเฉพาะอัธยาศัยที่กลุ่มบุคคลที่เขาสั่งสมมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเขาได้ในปัจจุบันภนภะนั้นด้วยเหตุปัจจัยที่เขาทาได้ทีนี้ เกี่ยวในเรื่องของกุศลอภิญญาไม่มีหน้าที่ส่งผลเป็นวิปลากวิญญาทั้งในปฏิสนธิการและปะวัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะอภิญญาต่างๆให้ผลเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอะไรนะเขาเรียกประจักสิทธิประจกัะจกษสิทธิเป็นสิทธิเป็นสิท ธ, ธิพิเศษที่ได้ได้พบเห็นได้ประจักษ์กับตนเองที่ได้อะทีนี้ประการต่อมา คงได้กุศลเจตนาเท่าไหร่ต่วเนี้ยที่จะนําปฏิสนธิได้กุศลเจตนาสิบสามมหากุศลเจตนาแปดรวกุศลเจตนาห้าอันเนี้ยให้เนี่ฮให้ให้วิญญาณเท่าไหร่มหากุศลเจตนาแปดให้วิญญาณสิบหกใช่ไหมส่วนรวกุศลเจตนาห้าให้วิญญาณห้า ให้วิญญาณห้าบางคนมองไม่เห็นเลยนะเพระพูดอย่างเงี้ยนะเงมองเห็นไหมเนี่ยบางคนบอกแต่ไม่เป็นไรนะก็กฟังนี้จริงๆเนี่ยเพียงได้ยินคําว่าสังขารสังขารแค่นี้ก็ไม่เที่ยงเขาไว้คนที่ไม่เข้าใจบอกสังขารไม่เที่ยงเขาไว้เนี่ยพิยยศฟังเข้าใจไหมแบบเนี้ยไม่เข้าใจเลยนะคืออย่างเงี้มหากุศลเจตนาแปดเนี่ยเป็นปุญญาพิสังขารอยู่แล้ว ทีนี้มหากุศลเจตนาแปเป็นปุญญาพิสังขารให้ให้วิญญาณ16เพราะให้วิญญาณ16ให้อะไรให้เห็นใช่ไหให้ได้ยินให้ได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์ไตรสวนอารมณ์ที่ดีนะเนี่ยลักษณะนั้นคือให้ผลที่เป็นอริยตุกขาส่วนให้ผลที่เป็นเสหตุกาก็คือให้มหาวิบากแปด ดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอย่างนี้คือให้ผลที่เป็นสเหตุกะนี่เป็นอย่างนี้เ้าเรียกว่าแปดแต่ให้ผลจริงๆเ็ให้ผลได้มากกว่าต น, นยนะและเป็นเบื้องต้นของฌาน <S 2> <S 2> เป็นเบื้องต้นของอภิญญามากผลนี่คือมหากรุศลนเขาใหญ่จริงๆนะมหากรุศลเจตนาเนี่ยนะก็ะยิ่งใหญ่มากเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะ ถ้าคนเจริญบุญเป็นเนี่ยนะทุกๆอารมณ์เนี่ยเขาจะเก็บบุญได้เป็นอย่างมากเลยอารมณ์ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทานกุศลเป็นต้นเกิดเป็นแถวหัวเลยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าหากว่ากุศลศลีลไม่เกิดสมาธิกุศลจะเกิดได้ไหมถ้าสมาธิกุศลจะไม่เกิดปัญญาจะเกิดได้ไหม ใช่หไหมไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยฉะนั้นคนบางคนว่าเอ๊ะทำไมตนเองจึงไม่ค่อยมีปัญญางหงุดหงิดง่ายอย่าแปลกใจเนะตรวจสอบกุลงข้างล่างก็รู้เลยว่าเป็นผู้บกพร่องทั้งด้านศีลกุศลเป็นต้นน่นะคือมหากุศลไม่เกิดถ้าเกิดมันก็มันตั้งได้แวบๆเหมือนนะเกิดได้น้อยมากปริมาณการเกิดของกุศลนี่เกิดน้อยมากโดยมากเป็นเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นนะได้อนะไรท์ แต่คิดเรื่องบุญนี่ให้ยาวนานนี่โหต่อบุญไม่ได้ไม่ค่อยยาวนานอันนี้มันเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอัธยาศัยที่ตั้งไว้ผิดใช่ไหมคนที่ตั้งอัธยาศาัยไว้ผิดเนี่ยจิตที่จะตั้งไว้ในสิ่งที่จะเป็นบุญเนี่ยได้ไม่ค่อยนานหรอกเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเป็นบาปมาสลับค้าเข้าไปอยู่ในแหละ เดี๋ยวบาปเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปเดี๋ยวบุญเนี่ยโดยมากบาปมากเกิดมากกว่าบุญตัง้งแตได้ตอนไหนพอตอนเย็นละเครียดเลยใช่ไหมมนุษย์เริ่มเครียดกันแล้วไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไม่แช่มชื่นปีติมไม่เกิดมันพิจารณาตรวจสอบหลายรอบแล้วแต่มันทํากุศลเกิดไม่ได้เพราะกุศลเกิดน้อยเนี่ยความเศร้าหมองทางด้านจิตใจก็จะตามมา มันเป็นอย่างนี้นี่คือความเป็นปุถุชนของเราเราเนะี่ยเข้าใจคำว่าหนาอย่างนี่แหะคือความหนากิเลสนั้นหนามันเข้ามาแทรกตลอดเวลานะนี่เป็นอย่างนี้อย่าแปลกใจเลยนะถ้าเป็นคนกลุ่มบุญดีๆแบบนี้เยือกเย็นไปนานแล้ว <c oughs> เยือกเย็นไปนานแล้วเข้าใจคำว่าบุญน้อยอคําคำว่าบุญน้อยไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีอุบายในการคิดในเรื่องต่างๆให้เป็นบุญเลย พอคิดถึงรูปกะเทียดไอ้บุญมันไม่เกิดนะ่ะพอทานนกุศลไม่เกิดบางคนมองจะทําศีลกุศลเกิดก็ไม่ได้ถ้ามองน้ําเนี่ยให้ทานนกุศลเกิดก็ได้ยังไหมคนมองมองแล้วตรึกถูกใช่ไหมถวายพระถวายพระธาตุถวายอะไรต่างๆได้เยอะแยะหมดแล้วถวายพระพุทธเจ้านี่นะเนี่ยด้านทานกุศลด้านศีลกุศลได้ไหมมองยังไงให้เป็นศีลกุศล อาจเนี่ยถามว่าเราจะทําศีลเป็นต้นให้สะอาดได้ไหมหนึ่ ง, งลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเป็นภาวนากุศลได้ไหมได้ทําไมไม่ได้คนที่เพ่งกระสินได้โอ้งไม่รู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมหรือบางกลุ่มเขาก็พิจารณาอีกอย่างธาตุน้ำเนี่ยบางคนก็ได้เห็นน้ําแล้วเขาก็ได้อัปจายนะได้การประพฤติอ่อนน้ อ, ทอมทำตนน้อย่างไ น้ำเนี่ยมันเข้ากับอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็ได้จริงๆนะได้วิ ย, ยาวัจจะอุปพฤษประโยชน์นเป็นประโยชน์แก่ประชาสัตย์จริงๆนะน้ําอะไรเงี้ยนะตรึกขึ้นเป็นคุณเนะี่ยถามว่าเมื่อเราน้ําเป็นต้นเนี่ยนะถวายเป็นต้นแล้วก็ให้ส่วนบุญเขาได้ใช่ไหมแล้วก็อนุโมทนาส่วนบุญก็ได้ปารบการฟังทอย่างไดตรึกถึงน้ําำมาแล้วแสดงทำก็ได้ ถ้าถ้าตรึกพิจารณาเป็นเนี่ยอารมณ์ทุกอารมณ์แล้วจะทําบุญกิริยาวัตถุให้เกิดไอ้ตรงนี้ต่างหากว่ามหากุศลจึงมีผลมากให้ผลแล้วมากกว่าตนเนี่ยนะเวลาผลเกิดขึ้นก็เป็นสิบหกนะมากกว่าตนด้วยเป็นเบื้องต้นของการเจริญฌานสมาบัตแล้วก็บรรลุมักผลใดด้วยนี่เป็นอย่างนี้นะส่วนโรคกุศลเจตนาห้าโรคกุศลเจตนาห้า เจตนาที่ในปรปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทะฌานปัญจำฌานให้โรควิบากเกิดขึ้นทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนะว่าในปฏิสนธิการเขาเกิดยังไงประวัติการเขาเกิดยังไงตอนนี้ก็ไล่ตามลำดับไปก่อนอเนีนชาพิสังขาร4อารมกุศลเจตนาทั้งหมดให้อะไรให้อารวิบากสี่เกิดขึ้น ปฏิจจสมุปบาทนั้นแสดงเป็นสองในมีอภิธรรมในและก็สุดตันตในเยนรู้จักอภิธรรมนยมัยมไหนอภิธรรมใน ย, ยังไม่ได้เรียนนะตอนนี้เรียนสุดตันตในในของพระสูตรเนี่ยเมื่อว่าโดยอภิธรรมนัยตัววิญญาณเนี่ยไม่ใช่มีสิบเกไม่ใช่มีปฏิสันที่วิญญาณสิบเกแล้วก็ปวัติวิญญาณสามสิบสอง ตอนนี้เราเรียนการวิญญาณสองประเภทคือปฏิสันธิวิญญาณ19แล้วก็โลกยยวิปากวิญญาณ32เนเราเรียนกันแค่นั้นแต่ในอวิธรรมไนวิญญาณได้แก่จิต89เเพราะจิตทั้งหมดต้องเกิดพร้อมกับเจตนาไหมต้องเกิดพร้อมกับเจตนาเจตนาเป็นตัวสังขารไหมเป็นใช่ไหมจึงนับเอาจิตทั้งหมดใช่ไหม เมื่อจิตทั้งหมดเป็นเจตนาเออขอไปสังขารสังขารเนี่ยสังขาร น, นั่นเป็นเจตนาจะให้ก็ได้แก่เจตนาเจสิกประกอบได้ในจิตทั้งหมดฉะนั้นเจตนาเจสิกที่ในจิตทั้งหมดนั้นเน่ะจึงเป็นปัจจัยให้วิญ ญ, ญาณแปดสิบเก้าเกิดได้หมดเลยอันนั้นพูดในแง่ของปัจจัยอะไรรู้ไหมในแง่ของปัจจัยอะไรอของกรรมว่าปัจจัยใช่ไหมนะ ของกรรมปัจจัยในด้านของสหาชาตะกรรมปัจจัยคือตัวเจตนากับตัววิญญาณเน่ยเกิดร่วมกันไงก็เลยได้อย่างนั้นทีนี้ส่วนสุดตันตะัยนั้นแหละโลกเยียปากวิญญาณเนี่ยสามสิบสในวิถวนของสังขารเนะเพราะปฏิจจสมุปบาทนั้นแสดงโดยสุดตันตะัยมีการจําแนกโดยอะไรโดยอัฏ ฐ, ฐาที่เขาเรียกว่าการสามนี่ยนะ อติตอัตตาปัจจุบันาอัตตาและอนาคตาอัตตาจำแนกโดยเหตุและผลแล้วก็โดยวัตตาสามเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าว่าโดยวิญญาณน่ยวิญญาณเนี่ยว่าโดยการนี่อยู่ในการไหนปฏิสนธิการกับประวติการเนี่ยอยู่ในการปฏิสนธิวิญญาณกับประวติวิญญาณเนี่ยอยู่ในการไหนต้องบอกว่าอยู่ในจัดเข้าในปัจจุบันการนะนี่เขาเรียกจัดเข้าในปัจจุบันการ ว่าโดยเหตุและผลโลกียวิปากกวิญญาณสิบเก้าเนี่ยเออขออภยัยสามสองเนี่ยโลกียบิปากกวิญญาณสามสองเนี่ยจัดอยู่ในการไหนปัจจุบันาการเนี่เป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นเหตุหรือเป็นผล <c oughs> จัดอยู่ในเหตุหรืออยู่ในผลอยู่ในผลวิญญาณเนี่ยวิญญาณเป็นผลนีว่าโดยวตาสามเขาอยู่ในวตาอะไร ว่าโดยวตาสามอยู่ในวตาอะไรอยู่ในกิเลสวัสดิกรรมวัตหรือวิปากวัตวิปากวัตใช่ไหมวนคือวิบากนะเอ๊งงเลเยได้ฟังนี้งงไหมเนี่ยเอเนเอนพิทยยศไม่นางงอ่ะงงเลยโลกย่ยปากวิญญาณสามสิบสองใช่ไหมโลกย่อยปากจิตสามสองอ่ะอเหตุตัก่าวิปากจิตสิบห้ามหาวิปากจิตแปดรูปวิบาก์ห้ารูปวิบาก์สี่ โลยี่ยบากสามสิบสองเนี่ยเป็นปัจจุบันอาการใช่ไหมไม่ใช่เป็นอดีตอาการหรืออนาคตถ้ว่าโดยอัฐาสามไงเ อ, อัฐาสามมาจัดจั ด, จดใช่ไหมก็ไม่ใช่ตีตาทาใช่ไหมไม่ใช่ปัจจุบันน่าอัฐาใช่ไหมเออไม่ใช่อนาคตาอาาัฐาแต่เป็นปัจจุบันน่อัฐาก็เราลองไปดูในองค์ของปฏิจจ์ที่เราเรียนกันมาแล้วไงที่เรียนมาแล้วนะเนี่ยจัดอยู่ในปัจจุบันอาอา ถ้าว่าโดวตตาสามอยู่ในกิเลสเวิปากวัตนีวิญญาณที่เป็นผลของสังขารที่แสดงตามสุดตันตนได้แก่โลกิ้ยปากวิญญาณสาสิบสองทีนี้ในโลกิ้ยปากวิญญาณสาสบสองเนี่ยนะที่เป็นผลของสังขารมีอยู่สองพวกปฏิสนธิวิญญาณได้แก่ปฏิสนธิจิตทลาย ไ, ได้แก่ปฏิสนธิจิสิบเกแล้วก็ ประวัติวิญญาณได้แก่โล ก, กี้ไปากะวิญญาณสามสิบสองออมได้เวลาเล ย, เ, ลยเออ อ, อะต่อนะวิญญาณเกี่ยวในเรื่องของปฏิสนธิวิญญาณสิบเก้าที่บอกว่าก็ในปฏิสนธิวิญญาณสิบเก้าอุเบขาสันติระนาจิสองมหาวบากแปดแล้วก็โรควิบากหอรมณวิบากสี่นี่คือปฏิสนธิวิญญาณสิบเก้านะ ในวิญญาณเหล่าเนี้ยเขาบอกว่าอาปุญญาพิสังขารสิบเอดเว้นอุทธจารเจตนาเป็นเหตุอุเบกขาสันติระาอากุศลวิบากหนึ่งเป็นผลให้ปฏิสนธิเป็นทุกขติ่ยเฮทุกะบุคคลคืออบายสัตว์ในอบายภูมิสี่วงเงินทีนี้ถ้าหากเราดูบอกว่าอากุศลเจตนาสิบเอดเว้นอุทธจารเจตนาใช่ไหมตรงเนี้ยเขาให้ปฏิสนธิวิญญาณก็คือให้อุเบกขาสันติระอากุศลวิบากหนึ่ง เป็นผลอุเบขาเท่าถามบอกว่าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนี่นแหละก็ต้องบอกาอาปุญญาพี่สังขาร11เว้นอุทธจารเจตนาเป็นตัวสังขารเนี่ยนะเป็นปัจจัยอุปการะแก่ปฏิสนธิวิญญาณคืออุเบขาสันติรณาอากุศลนิบาศหนึ่งทำหน้าที่ปฏิสนธิในอบายภูมิสี่ คือเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกนี่นะทีนี้ถ้าหากมาดูอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นว่าพอพูดสิบเอ็ดเนี่ยมันพูดรวมแต่ถ้าพูดแยกย่อยออกมาเนี่ยโลภามูลจิตดวงที่หนึ่งเห็นมในโลภามูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยสามารถให้ปฏิสนธิหนึ่งในใบพรมโลภาเนีย ทีนี้ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งที่บอกสามารถให้ปฏิสนธิคือเวขาสันติรนะนาอคุสนิบากหนึ่งในเจตนาในนั้นน่ะ น, นะให้ปฏิสนธิหนึ่งในอใบยภูมิเนี่ยแตถามบอกว่าโลภะนั้นน่ะมีอะไรเป็นอารมณ์เอาละสุทีนี้โลภะมีรูปเป็นอารมณ์ก็ได้มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีสัมผัสหรือมีธรรมะเป็นอารมณ์ก็ได้ หรือเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของกายกรรมก็ได้ว่าจีกรรมก็ได้และมนโนกรรมก็ได้มองเห็นไว้ว่าแค่โลภะอย่างเดียวเนี่ยฉะนั้นถ้าหากเราดูแค่กลุ่มอบายสัตว์เนี่ยแค่สัตว์ตด่าฉานอย่างเดียวมันยิ่งมากจริงๆเนาะถ้าเราบูเอ๊ะทาไมสัตว์ตด่าฉานหน้าตามันแตก ต, ต, ต่างๆกันออกไปยอมไหมเคยสังเกตไหมยอมหมูเคยสังเกตไอ ม, มสัตว์ตด่าฉานแต่ละจะพวกเนี่ยมันต่างกันห่ดเลย มันต่างกันนะบางคนก็ถูกเจตนากรรมในโลภะดวงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหรือเจตนากรรมในโทษาเจตนากรรมในอุโมหะมมระจิตดวงที่เหนือเนกรรมเหล่านั้นอุทจจเจตนาส1บเอ็เนี่ยเราไม่รู้ว่าดวงไหนลรอกส่งผลหมือนกันให้กรรมให้ให้ให้วิบากเกิดขึ้นในในปฏิสนธิการเนี่ยท่านในกลุ่มปลาก็หลายจังพวกใช่ไหเพราะว่าอารมณ์มันวิจิต เขาต้องบอกว่าไงเนี่ยบอกว่าสังขารในอบายภูมิเป็นปัจจัยให้กับปฏิสนธิวิญญาณในอบายภูมิก็ได้ถูสังขารในการบภูมิเนี่ยเป็นปัจจัยให้กับปฏิสนธิหรือวิญญาณในอบายภูมิก็ได้ถ้าดูอย่างนี้แล้วจะมองเห็นว่ามากจริงๆถ้ามาแยกแยกย่อยออกมาเนะยถ้าไปเขียนมาตามลําดับเนี่ยแกบอกว่าอวิชา บอกงันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารพะบอกอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็อบอกอวิชชาปิดทําให้คนทําบาปทําให้คนโลภ บ, บางโกรธบ้างหลงบางเนี่ยนะเจตนากรรมในความโลภโกรธและหลงเนี่ยไอกรรมตัวนั้นก็ให้ปฏิสนธิคือเวขาสันติระณะอกุศลวิบากหนึ่งปฏิสนธิในใบภูมินึงถึงบอกว่าปฏิสนธิมีหนึ่งยิง แต่มันมาจากโลภะก็มีมาจากโทสะก็มีมาจากโมหะก็มีบางทีก็มีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีธรรมะเนี่ยนะเป็นอารมณ์เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาจึงบอกว่านี่แหละคือตัวปฏิสนธิตัววิญญาณที่มันอุบัติเกิดขึ้นมาและเป็นไปได้เพราะสังขารเป็นเหตุเพราะมีสังขารเนี่ยคือเจตนาที่นอกุศลอันที่นอกุศล ทินาปุญญาพิสังขารสิเอ็ดเว้นอุทธจารเจตนาเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุให้หนึ่งเกิดจริงเนีแต่ว่าในบรรดาหนึ่งนั้นถามว่ามาจากอัธยาศัยอะไรมาจากโลพัทธยาศัยโทสัตยาศัยหรือโมหะทยาศัยและในบรรดาโลพัทธโลภาโทสัและโมหะที่เป็นอัธยาศัยของท่านเหล่านั้นเน่ยถามว่าปารบอะไรและทํากรรมอะไรยังแยกย่อยในเรื่องการทํากรรมอีกนะ พอกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมก็ยังวิจิตพิสดารที่แตกต่างกันออกไปลองคิดดูนะสมมตินะถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอเขาไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยนะถามว่าถ้าเกิดเป็นสุนัขแล้วเนี่ยเขาได้ปฏิสนธิวิญญาณในบบยสัตว์แล้วใช่ไหมต่อมาเนี่ยถามว่าเวลาเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยจากขวิญญาณของสุนัขเกิดขึ้นมาก็ เ, าเห็นอะไรเห็นพวกกันเอง เมื่อเห็นพวกกันเองเป็นอะไรเป็นอกุศลจกักขุญยาณเมื่อเป็นอกุศลจกักขุญยาณแล้วเนี่ยเขาจะตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยอกุศลสัมปติชนะอกุศลสนติรณนะเห็นไหมอกุศลวิบากก็ส่งผลตามลําดับและที่ตามมาหน้ากลัวก็คืออาวโทษนาะตัดสินถามว่าเขาจะตัดสินเข้าหากุศลหรืออกุศลถ้าเขาเห็นพวกกันเองในขณะที่เขาจะกินอาหารพวกกันเองจะไม่แย่งใช่ไหม ถามว่าจิตเขาจะคิดยังไงอ้าวตัดสินผิดโทสะเกิดหรือต้องรีบกินเห็นคนกําลังวิ่งมาโลคเกิดใช่ไหมถามว่าตอนนั้นทําอะไรกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมของสุนัขโดยมากเขาเป็นไปกับบาปแล้วผลสุดท้ายแตทาลำนะอารมณ์นั้นแรงมากใช่ไหมอารมณ์อานอารมณ์นั้นไม่ไม่แรงมากนี่ก็มีแตทาลำนะรับสองขณะเน้นมองเห็นใช่ไหม ถ้าเกิดเป็นอติมหันตารมณ์วิถีเห<ม>็นไหมก็มีวิอารมณ์นั้นทําให้วิถีจิตเกิดได้มากที่สุดจนครบเจอย่างครบเจอย่างเป็นวิบากกี่อย่างจากกุวิญญาหนึ่งจะสัมปต 2, สิสองเซนตีสต Thai อีกสองต t h a เป็น4อย่างเห็นไหมวิบากสอย่างก็เกิดขึ้นถามว่าเขาจะเพียงได้แค่จากกุญญาณอย่างเดียวเท่านั้นไหมที่เป็นอกุศล พอพออกุศลอั น, นิี้ทาร่์เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยบาปหรือบุญจะเกิดโดยส่วนมากเขาตัดสินผิดโลภะเกิดบ้างโทสะเกิดบ้างโมหะเกิดบ้างก็ทําอกุศ ล, ลกรรมแล้วนะสรุปแล้วสุนัขตัวนั้นทางทวานตาก็ทํำบาปทีนี้ทางทวานิมุกถามว่ากินอาหารที่เขาได้นั้นเป็นอาหารที่เป็ น, เ ป, นเป็นอาหารที่ดีโดยสภาวะหรือไม่ดีโดยสภาวะ เป็นอนิถารลมหรือเป็นอิทธารมกินของอาหารนั้นนะ่ะเป็นอนิถารลมแต่เขาชอบเท่านั้นเองเพราะเขามาน้าสิการผิดพลาดยังอุจละเขาทำไมถึงชอบแล้วอาหารที่หยาบหยาบทำไมเขาถึงชอบล่ะเห็นไหมในขณะที่สุ น, นัขนี่นะเขากินอาหารก่อนจะกิ น, นไงวะทางคานาทวาริกะทางคานาทวาริกะทวารวิถีของเขาเนี่ยนะคือคือทางคานะทวารเขาเนี่ย ก็เป็นไปกับอกุศลวิบากและจะตามมาได้โวตทบนาที่ตัดสินผิดแล้วก็ขึ้นชาวนะที่เป็นโลพาโทสะและโมหะทำกรรมถึงแล้วอารมณ์แรงแตถาลาน่เกิดต่อเห็นไหมว่าทางทางจากครูทวานก็ไม่ได้แล้วนะทางคานาทวาลก็ไม่ได้อันนี้ทางโสตัทวาลเสียงเห่าหอนพวกกันเองเอาอะไแต่นี้เสียงเ่าหอนพวกกันเองเป็นอะไรอ่ะเป็นอนิจ ฐานมอีกแล้วโสตวิญญาณอากุศลนิบาสเกิดสัมปติชนะอกุศลนิบาสสันติระนะอกุศลนิบาสตามมาด้วยโวธฒภนาตัดสินผิดชาวนะก็เป็นโลภะโทสะโมหะตามมาด้วยตาทาธรรมนะเอาเป็นอกุศลนิบาสแล้วแล้วต่อมามันตามมาด้วยอะไรหรือไหมทางชิวหาถวาว ข, ของของสุนัขตนนั้น อ, อาหารที่เขาได้รอลดอเขาว่าเขาชอบมากแต่เป็น อ, อ น, นิฐานลม เป็นเห็นไหมชิวหาวิญญาณอากุศลนิบาศอีกแล้วสัมปติชนะสันติระนาตามเดโวโอธรนมะในการตัดสินผิดชวนะเป็นบาปเจตนากรรมทําลงไปอีกแล้วแล้วตามมาด้วยแต่ทานธรณะที่ผิดพลาดแล้กายยะทวารและวิถีเขาเราเป็นยังไงถ้ากายยะทวารวิถีของสุนัขตัว น, นั้นถามว่าเขาได้สัมผัสอะไรเหลือบบ้างยุงบางลิ้นบ้างไรลบงังถามว่าเขาสบายดีอยู่ไหมเนี่ยนะบางครั้งบางคราวก็จะได้คุกฝุ่น ใช่ไหมแต่ถามว่าคุกฝุ่นนั่นเป็นอะไรนะคุกฝุ่นเจออะไรบ้างอไงนะตอบ้างน้ําบ้างหินบ้างอะไรเป็นต้นเนี่ยแล้วตอนเย็นเย็นตอนคืนก็หนาวร้องนะอันนี้เป็นอกุศลใช่ไหมวิบากทางกายยะทวารเขาอีกแล้วและในที่สุดจริงๆเขาก็ทั้งร้องทั้งอะไรร้องคืออะไรโทสะใช่ไหมบางทีก็โลภะโอ้โหสุจใจเนะีนะ่ยเนี่ บางทีก็เนี่ยโมหะเป็นไปไงี้สรุปแล้วนี่ทางมโนทวารไม่ต้องพูดถึงเขาคิดเรื่องอะไรสรุปก็คือว่าฉทวาลิกะฉาทวาลวิถีของเขาเนี่ยทั้งจากขุทวาลโสตทวาลคานทวาลชิวหาทวารกายทวาลและมโนทวาลเนี่ยเขาบอกเป็นไปกับบาปเข้าใจคําว่าเป็นไปกับบาปเป็นส่วนมากไหมมันมากอย่างนี้มันหนาแ น, นี่ยโดยอกุศลลธรรมมันเป็นอย่างนี้ ถามว่าแล้วในขณะที่เขาทํากรรมอย่างนั้นทุกขณะจิตเขาเป็นกรรมหมดเลยเนี่ยเป็นกายกรรมบ้างเป็นวจีกรรมบ้างเป็นมโนกรรมบ้างก็คิดดูผลที่จะต้องรองรับในพบต่อไปของเขาที่เขาจะได้รับจากทิฏฐธรรมะเวทนยกรรมบ้างอุปัจจุบันบนี้พบเนะเป็นอุปชาเวทนยกรรมบ้างพบถัดไปเป็นอปราปราเวทนยกรรมบ้างถามว่าควรเขาควรไปไหน มันไม่ใช่ว่าถามว่าไม่ใช่มาถามว่าเขาจะได้เสพเมื่อไหร่ใช่ไหมมันถามว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าแล้วอากุศลกรรมของเขาเนี่ยจะเปิดช่องให้กรรมเหล่านั้นดดนะเรื่องเรื่องตรงนี้คือตรงนี้ต้องการชี้เห็นเพราะอะไรรู้ไหมต้องการอยากให้รู้ว่าถ้าพลาดถ้าได้อกุศลวิบากปฏิสนธิเป็นอบายศัสตร์ยกตัวอย่างแค่สุ น, นัขสักตัวเนี่ยโอกาสกลับ ยากจริงๆนี่แหละเนี่ยคือต้องการบอกคือตรงนี้มันไม่ใช่ยากธรรมดา น, นเน้นวิทยุต์มันยากมากที่สุดนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไอ้คําว่าเป็นศาสตราฉานเนี่ยเขาเรียกมีวิบากเป็นเครื่องกั้นวิบากเป็นเครื่องกั้นยกตัว อ, อย่างอย่างที่หมีใช่ไหมถ้าหากว่าผลของทานจะให้เท่าไหร่ก็ให้ ผลของศีลเขาพอจะแต่งให้เล็กๆน้อยๆมันแต่งมากกว่านั้นไม่ได้ต้องจะมาแต่งยังไงอ่ะยิ่งเสริมยิ่งเป็นเลยนะจะเสริมไม่เหมือนคนเนี่ยมันไม่เป็นเนี่หรือทางด้านสติปัญญาเนี่ยทางด้านปัญญาอุลก็ลเขาสั่งสมมาหรือสั่งสมมาก็น้อยแต่ที่เคยสั่งสมไว้ก็ส่งไม่ได้เพราะมันเป็นประวัติการไปและในประวัติการในตัววิบากอุเบกขาสันติระนะอุศลิบากก็กันเขาวกันไว้หมด ถ้าจะส่งผลในประวัติการเขาก็กั้นตถาคุณก็ได้แค่โสมนัสสันติมหายบากตถา ท, าที่จะเป็นสัมปยุ์ยานะสัมปยุ์ก็ไม่ได้เพราะอุ้ยบากเป็นเครื่องกั้นไอตัวไเหตุกกาปฏิสนธิของคุณนั่แหละเป็นเครื่องกั้นกันไว้ในปฏิสนธิการนี้ถ้ามองอย่างนี้แล้วมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายที่พระเจ้าบอก <c oughs> อย่าหมูเบื่อเบื่อหน่ายยัง เรื่อเบื่อหนอย่างแบบนี้ว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์จริงใช่ไหมถ้าเรียนเรื่องถามว่าเวลาเราทําบุญกันเนี่ยโดยเนื้อแท้ของบุญที่เราทำเลยนะโดยอัธยาศัยที่เราทํากันจริงๆเราปรารถนาอะไรปรารถนาความสุขกับปรารถนาเวทนาเนี่ยเราปรารถนาอะไรกันเนี่ยโดยมากปรารถ น, นาเวทนาใช่ไหมเมื่อปรารถ น, นาเวทนาน่ยถามเวทนาเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกข์ ถ้าปรารถนาเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็แล้วแต่แต่สุขเวทนาก็เป็นทุกข์เนะเพราะเราปรารถนาตัวทุกข์สัตว์พระพุทธเจ้าสอนให้รอบรู้ไม่ได้สอนให้ปรารถนาถ้ามองอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าจริงๆเราปรารถนาเวทนาที่มันเป็นสุขเช่นวัวาอยากนั่งให้สบายอยากนอนเนี่มันสบายอยากยืนเนี่มันสบายอยากเดินเนี่มันสบายเนี่ยอยากกินอาหารเนีมันสบายอยากจะพูดเรื่องสนทนากับใครที่มันสบายสบายอ่ะ แปรารถนาสุขเวทนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกให้มองสุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์ให้เห็นทุกเวทนาเหมือนลูกศรให้เห็นอุเบกขาเวทนาด้วยความไม่เทีย่ยงแล้วให้ละฉันทะลาคะในเวทนาเหล่านั้นสิฮะเนี่ยให้ให้พิจารณาลงทั้งอย่างนั้นให้ได้นะ่ะถ้าอย่างนั้นเราจะปรารถนาผิดพลาดเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่อ ง, อ, งอื่นแม้เวทนาในรูปภูมิเอารูปภูมิยังเป็นทุกข์สัตย์เลย จะป่วยเก่าไปยัยกวเวทนาในกามาภูมิโลาและคนที่หวังหรือปรารถนาเวทนาอยู่ใช่ไหมที่จะปฏิบัติเพียงเพื่อเบือนนายเพื่อคลายกำหนัดนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่เลยเพราะอันนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่ถาวรใดๆนี่มันเปลี่ยนไว้แล้วเนี่ยฉะนั้นในลักษณะที่บอกว่าถ้าอบายศาสตร์ใช่ไอุเวขาสันเตียนะอกุศลนิบาศทำกิจปฏิสนธิ ถามว่ากุศลกรรมที่เคยทําในอดีตเก่าก่อนนะ่าอย่างปัจจุบันเนี่ยพวกเราให้ทานย้วยเอาชีดาววันให้ทานบังอะไรบางสารพัดเนี่ยถามว่ากุศลเหล่านี้ไปไหนเขามีโอกาสกา็ตามให้ก็หลายๆคนก็พูดใช่ไหมแต่เป็นสุนัข ก, ก็ขอให้ขอให้เป็นสุนัขชั้นดีหน่อยว่างั้นเขาก็ดีใจแล้วก็ถูกเลี้ยงดีจริงๆนะโอ้โหเขารักมากกว่างั้นเด้อเขารักมากทั้งดูแลทั้งเอาใจใส่ เบ็ดเสนั่งรถอย่างดีไปไหนหาหมออย่างดีก็เอาเอาไว้แล้วแบบนั้นเอาไว้แล้วไปหาหมอไปอะไรต่างๆดูแลอย่างดีนั่นแหละอย่างนั้นเถอะแล้วแล้วมีโอกาสเข้าโรงเรียนด้วยนะอสุนัขประเภทนี้มีโอกาสเข้าโรงเรียนด้วยนะใช่ไหมแต่ถามว่าจริงๆแล้วก็คืออบายสัตว์นะัก็คือมีความเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นมาพาเอเห็นนล้วรักเลยอะ่ะเห็นแล้วผูกพันเลย ยังไงยังไงต้องเอามาเลี้ยงให้ได้อย่าอย่าไปคิดว่าโอยเราไม่ผูกนะเนี่ยมันยังไม่เจอตัวนั้นนี่ย <c ười> ถ้าเจอขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่เอาแล้วแต่เนี้ยเห็นแล้วมันมันอดใจอ่อนไม่ได้นเป็นไปนี้แล้วถามว่าแล้เรายินดีรึเป่าเอาเลยสิเลยแล้วทากรรมร่วมกับเขาเราทํำยังไงตึกเป็นเป็นจริงรึเปล่าอย่าง น, นี้เป็นต้นนี่ยเนะ่ย ก, ก็ก็ไปพิจารณา ทุกครั้งที่นึกถึงเขานี่กรุณาเกิดไหมหรือว่ามันโลภะเกิดบางคนเนี่ยชื่นใจนะได้เห็นหน้าเขาโอ้โหมันรู้สึกไอ้ที่เ ค, เคยเครียดถ่ายเครียดดิ่งเนี่มันมันจะผิดปกติแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วแต่ก่อนไม่เห็นหน้าเขาพอไปเห็นแล้วมันหายเครียดใช่ไหมก็แสดงอารมณ์นั้นมันเป็นอิทธาลมสําหรับเราไปแล้วโลภะจะเข้ามาเสพรู้ตัวไหมแต่รู้หรือไม่รู้นเป็นอกุศลกรรมไปหมด นี่ถ้าหากเราดูอย่างนี้นะว่าอากุศลอุเบขาสันติ Dana นะอกุศลยุบากหนึ่งมีเขาเป็นผลไม่ใช่อยู่ในฐานะเป็นเหตุเนะี่ยอันนี้อยู่ในฐานะเป็นผลนี่เป็นอย่างนี้ถ้าไปแยกแยะอีกเยอะเกี่ยวในเรื่องของกลุ่มอบวัตว์ทั้งหลา ย, ยานี้จะมองเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นกรณีที่จะออกมาเนี่ยมันจะออกมาจากอวัยวสมันถึงยากไงนี่ที่บอกว่ยากมันยากแบบนี้เท่านั้นเดียว่าแต่นั้นเลยมันเหมือนว่าเป็นมนุษย์เนี่ย เอาเราเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะเอาความเป็นมนุษย์สืบต่อไปอีกสักภพเนี่ยใช้คําว่ายากถามว่าถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเขา้าศีลห้ากุศลกรรมบวชต้องดีเงี้ยแล้ววันวันหนึ่งสมาทานศีลห้ากุศลกรรมบทชสบสมบูรณ์ดีไหมอะไรเงี้ยถ้าสมบูรณ์ดีแล้วอัธยาศัยน้อมไหมน้อมไปไหนน้อมในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเป็นมนุษย์จริงๆ จ, จังๆไหมอะไรเงี้ย ห ร, หรือไปอยังไงหรือแล้วแต่ปล่อยถ้าถ้าอย่างนี้มันปัญหาคือเราคิดอะไรอยู่ใช่ไหมมันอยู่ที่ตรงนั้นแต่ถ้าในปัจจุบันบอกว่าภาวะในสังคมบีบรัดก็ว่าคิดเรื่องปัจจุบันดีกว่าไปคิดอะไรเรื่องอนาคตมันนี่วิธีคิดเขาคิดกันอนาคตไม่มีใครรู้แต่เขาลืมต่ อ, อกประโยคหนึ่งตัวเขาเองน่ะรู้ เวลาไปที่ไหนเนี่ยเขาจะรู้เวลาเขาทุกข์เขาก็รู้ว่าทุกข์เวลาเขาสุขเขาก็รู้ว่าสุขก็เหมือนปัจจุบันนี้นะถ้าในขณะที่สุขเราก็รู้ว่าสุขและถ้าทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์ไอความรู้สึกตรงนี้มันจะสืบต่อไปแบบนี้มองเห็นอ ย, าย่างน้วนเดยวถึงไปที่ไหนแต่ไอความรู้สึกนี้มันก็จะสืบต่อแล้วมันจะปิดอดีตถาวรและลึกไม่ได้ยังไหมพบที่แล้วใช่ไห มีวิบากบางมีอะไรต่างๆกันหมดนะพวกเราเนี่ยคืออาวิชาเป็นเครื่องกลางกันตัณหาก็ประกอบติดแล้วก็มืดไม่สว่างกันเลยนี่คําว่าไม่สว่างเลยมองไม่เห็นสัจจะสีมองไม่เห็นสัจจะ ส, ส, สีเป็นต้นเลยนะมองไม่เห็นพระธรรมคําคสอนของพุทธเจ้ามองไม่เห็นศีลไม่เห็นสมาธิไม่เห็นปัญญาเลยนี่ยมันจะปิดหมดเลยใช่ไหมนี่เขาเลย ว, วิบากปิดหมดเลยเป็นเครื่องกั้นหมดเลย ถ้าอวัยวะสัตว์ไม่ต้องพูดถึงแล้วสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยมันปิดจะไม่รู้จะปิดยังไงแล้วมองเห็นพระไม่รู้จากพระเนี่ยมันชอบคนแล้วเนียใช่ไหมขนาดมองเห็นพระไม่รู้จากพระแล้วเนี่ยอบรรยัยสัตว์เนี่ยเขามองปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะว่าเออนี้คือพระเนี่ยแล้วถามว่ายังแยกแยะบัญญัตินี้ไม่ออกเลยอะไรที่ที่กุศลจะตามมาเนี่ยยากมากถึงแม้เกิดเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นอกุศล มันมากไปด้วยกุศลไม่รู้มองมองเห็นหอย่างไรเงี้ยว่าจริ ง, รงๆเขาตัดสินเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นไปกับบาปจริงๆถ้าอย่างเราใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์บางคนเนี่ยมองเห็นพระไม่รู้จักพระยังเยอะเลยใช่ไหมขนาดเป็นมนุษย์แล้วเออท่านชั ย, ยันบอกว่าเออเราได้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยว่างั้นถามเมื่อเราได้เป็นมนุษย์แล้วแสดงว่าเราทํากุศลมาใช่ไหมใช่ตัวกุศลเนี่ยส่งผลแต่ถามว่าท่านผู้นั้นทําทั้งบุญทั้งบาปมาใช่ไหมใช่ แต่ถามเพราะอะไรไหมกุศลยังเกื้อกูลท่านผู้นั้นในมรณาสถาการท่านผู้นั้นในอดีตต้องไม่ประมาทแน่ๆทีนี้เราท่านผู้นั้นที่มาปัจจุบันนี้แหละที่อัธยาศัยสืบมาปัจจุบันนี้แหละแล้วคิดอย่างท่านผู้นั้นในอดีตไหมถ้ามันไม่ได้คิดสอดคล้องในอดีตเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วท่านผู้นั้นในอนาคตมันจะตามมาอีกแล้วมัน ปฏิสันทีวิญญาณมันให้ปฏิสนที่วิญญาณหนึ่งยิงใช่ไหมอปุญยาพิสังขารเนี่ยเจตนาที่ในโลภะดวงที่หนึ่งก็แต่งปฏิสันที่ได้ดวงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือโทษาดวงหนึ่งดวงสองเนี่ยนะโหมหะดวงที่หนึ่งแต่งปฏิสันที่ได้อุทธจารเจตนาแต่งปฏิสนธีไม่ได้ปฏิสนทีวิญญาณไม่ไดแ้แต่แต่งปวัติวิญญาณได้วิญญาณในปวัติการได้โอ้ท่นานทัพมองงนี้เราจะเห็นใช่ไหมอบยัยศาสตร์เนี่ยบอกว่า ไออย่างมดปลวกเนี่นะปลวกแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยในจอมปลวกนเนี่นะนันเห็นมันมาจากคนละองค์ทีอารมณ์เดียวกันกรรมเดียวกันแต่เจตนาต่างกันว่างั้นยังมีเจตนาแบบประเภทนะเเร็วประเภทธรรมดาเร็วปานกลางแล้วเร็วที่สุดเนี่ยนะว่างั้นมันยังมีและตัววิญญาณเดียวกันน่ยนะเนี่ยอุเบกข า, าสันติระน า, าอุสุนิบากหนึ่งเนี่ยตัววิญญาณตัวเดียวกันเน่ยนะ แต่กายเป็นยังไงต่างเลยเนี่ยกายต่างเลยเลยโอ้โหรูปร่างกายเป็นไปสารพัดเลยถึยว่ามันแล้วแต่ว่ากรรมนั้นวิจิตเพียงไรเออถ้ามองออกที่บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าถามว่าอันนี้อะไรวิจิตตันหาวิจิตเพราะอะไรเพราะอะไรวิจิตเพราะสัญญาคือความจำวิจิตเห็นไหมไอ้สัญญาความจำวิจิตคืออะไรวิจิต พร อ, อะไรวิจิตพรากรมพราะกรรมวิจิตเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ปฏิสนธิที่มันวิจิตออกมาไอ้ตัวกรรมเนี่ยพิสดารมากใช่ไหมก็แต่งแต่งแต่งวิบากนั้นให้วิจิตพิสดารออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้อะต่อไปดูปุญญาภิสังขารคือทวิเหตุกะโอมกะกุศลเจตนาสี่เป็นเหตุตรง น, นี้อ่อนมากเนอะโอมกะเนี่ย กุศลเจตนาสีเป็นเหตุเวขาสัญญาณนากุศลยิบากหนึ่งเป็นผลให้ปฏิสนธีในสุขติเป็นสุขติอเหตุุกกาบุคคลคือมนุษย์และเทวดาชั้นต่ำพิการพิการกลุ่มบ้าใบาบอดหนวกนะปัญญาอ่อนเป็นต้นนะนะกลุ่มนี้นะอันนี้ได้ได้มนุษย์นนเนี่ยแต่เป็นประเภททวีเหตุุกกาโอมากากุศลเจตนาสีทวีเหตุกาโอมกะกุศลเจตนาสี่คืออะไร คือกวามประเภทไหนเป็นมหากุศลญาณวิปยุทธ์ด้วยและยังไม่ใช่แค่นั้นนะความเพียรอ่อนไหมโหความเพียรก็อ่อนฉันทะวิรยิยะจิตตะอ่อนเลยกลุ่มพวกนี้อ่อนมากประเภทที่อ่อนแล้วอ่อนจริงๆไง น, นะอ่อนจนเป็นอมากาไม่ใช่อุกฐะถ้าอุกฐานั่นคือคือแข็งแรงไอ้นี้เขาอ่อน ถ้ากรรมประเภทเนี้จะให้วิบากให้วิญญาณลักษณะอย่างเนี้ให้อุเบขาสันติระนาอกุศลวิบากหนึ่งทำกิจปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเออถ้าถ้าในลักษณะอย่างนี้ลองลองสังเกตดูสิว่าถ้าได้อุเบขาสันติระนาอากุศลวิบากปฏิสนธิแล้วเนะ่ยเขาจะตามมาด้วยวิบากในประวัติการตามมาเท่าไหร่พวังของเขาตรงนี้ก็รักษาภพใช่ไหมกลุ่มบุคคลที่บ้าใบาบอดหนวก แต่เออตรงนี้ทําความเข้าใจนะนบ้าใบาบวดรวกเนี่ยบางกลุ่มเขาไม่ใช่ปฏิสติที่ด้วยดูเบคาสันตินะกุศลนิบากนะถ้าปฏิสติที่กุศลนิบากนะี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเลยนะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยตั้งแต่เกิดนะถ้ามาเป็นหลังจากเกิดมาแล้ว น, นั่นคนอะอย่างอกุศลกรรมมาตัด้อนนะัอีกอย่างนะนะเบียดเบียนมาตัดร้อนเนี่ย เชื่อไหมว่าท่านที่เคยนอนหัวโตโ ต, ตามงานวัดทั้งหลายเนี่ยเราเน่ยเคยเป็นมาแล้วแล้วเราก็ยังไม่พ้นนะพอคิดอย่างนี้ทีไรแล้วมันน่าแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไปไปดูดูเขาาก็ยังมาพูดล้ อ, ล อ, ลอเล่นๆกันนะบอกงั้นไม่รู้กรรมอ่ะนะบอกเอ้นอนสนุกดีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรดีวหัวเขาก็จะหนักใช่ไหมคนกลุ่มหัวเขาหนักมาก หัวก็โตอ่ะโตอย่างมากเลยแล้วก็เขาก็จะเอาไปไอคนที่ไปเขาก็จะอาศัยว่าเออเอาไปหากินได้เขาก็แม่คนที่เป็นแม่ก็จะบอกว่าเอาไปหากินกันหรือเอาไปหาเงินหาทองกันไม่รู้ไม่รู้แม่จริงเปล่าก็ไม่รู้บางทีเนี่ยลักษณ ะ, ะอย่างนี้ยขจะคิดยังไงอ่ะถึงบอกว่าถ้าปูดุชนเนี่ยนะ ถ้าปูุ่ชนกําลังสังสรรค์กันเนี่ยกำลังหัวเราะกันเนี่ยคือความร้องไห้ในธรรมวินัยนี้คือการร้องไห้ในธรรมวินัยนี้เจ็บปวดเนี่ยพระเราใช่ไหมพระเนนเราเนี่ยท่านในขณะที่กําลังตลกเฮฮ า, ากันเนี่ยสนุกสนานเลื่อนเริงเนี่ยกระซ้าก็ย้าแย่กันเนี่ยนะให้รู้เถอะนั่นคือการร้องไห้ในธรรมวินัยนี้เลยเพราะท่านเหล่านั้นประพฤติผิดใช่ไหมจริงไว้เนน เจ็ปวดเนี่ยเราอาจจะหัวลอกก็ท่านได้ปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่ท่านในอนาคตในชีวิตก็เจ็บปวดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีรสหวานจริงๆนะไอการทําชั่วมันมีความสุขใช่ไหมไอเรื่องอบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยนี่ดูเข้าไปหาว่าทําไมเวลาจะทําบุญกันใช่ไหมทําไมจะต้องมีบาปมาเจอือเพราะมันมีรสชาติมันมีความสุขมันไม่ใช่ไม่มีนะแต่ดูผลดินะถ้าเป็น มหากุสนใช่หม